ร่วมเทิดไทองค์ราชันหมอกสลาย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 ต่อไปนี้ขอ <ม. S 1> バイกําแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสร็จติดคุณมนต์ชีพ เพื่อนให้โอกาสตอนที่ 13 ความเดิมตอนที่แล้วนพ เจตจิวเพราะคิดว่าไม่น่าจะติดแต่อยากเพิ่มความฟิตและขยันกับเสี่ยที่เป็นหัวหน้า ทำไมมันสวยอย่างนี้วะหน้าแตก และละเอียดไม่มีชิ้นดีละเอียดไม่มีชิ้นดีๆว่า แล้วพี่กับจอนก็ เรื่องไม่ถูกกันนี่มันตอนเด็กๆเท่านั้นนะเออสิเออ ฮไม่ไปดีกว่าวะยังไม่อยากจะศบสายตากับเหยีย vid ตอนนี้เหมือนฉันกำบ pam necessary ะได้เรื่องอะไรแล้วก็จะกลับมาบอกก็แล้วกันบางนี้ตอนนี้ก็เป็นโรข กรื้อเรื่อง กํานันน่ะจะไปประชุมไอ้เวทีประชาคมอะไรกับเค้า แม่เดี๋ยวนี้นะเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดทันสมัยมากสิจ๊ะเดี๋ยวนี้นะเป็นโลกของคนรุ่น กับเค้ามั้ยหนึ่งจี๊ดแกล่ะอ้อยเสียเวลาทํามาหาอาหารแหม กัวคว้าสร้อยคอกําไว้แน่นเชียวนะมันระแวงน่ะ เดี่ยวนี้คุณหมอกับครูใหญ่ก็ไม่สบายใจที่เป็นอย่างนี้ตลาดเรามีแล้วบ้านแกล่ะหลายคนนักวะถึงๆ ของ ชวนเพื่อนคุณเค้าร่วมประชุมด้วยเหรอคะครู ถามๆจะตีรวนๆๆผมไม่คนกลัวเขมจิตอย่าใครจะ เรื่องมันก็เลยไปไม่ถึงไหนเท่านั้นเองอ่ะอธิบายอ้าวก็หมอน่ะสิแต่คุณเป็นนะ แม่ของหมอ เป็นเป็นหลับเหรอยัยหวานหรือว่าห่วงเรื่อง เดี๋ยวเนี้ยก็ใช่น่ะสิหญิงก็เก่งไม่แพ้ผู้ ไม่ใช่ฟ้าหญิงองค์ใหญ่หรือไงฟ้าหญิงผู้หญิงก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขใหญ่ได้ค่ะแม่ไงหมอนเข้าสู้ตายค่ะดี <laughs> ทลายกำแพงใจอาชีพครูเป็นผู้ให้ค่ะอภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด ดร. เจริญพรทรณิน ไอ้อึ้งถ้าเรื่องจิกยาบ้ามากินอีกแล้วเรื่องไง คุณคิมจูเป็นถึงน้องสาวของลูกพี่แล้วก็เป็น <laughs> watching <my> <laughs> <laughs> hey, watching <laughs> man? Hey. ไปไหนกันหมดแล้วนะเข้าไปประชุมกันที่โรงเรียนนะค่ะคุณปลัด ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะผมไปก่อนแล้วเป็นอะไรหรอกคุณหมอไม่อยู่ผมไป ที่ถ้ามีคนไข้หรือว่าใครเป็นอะไรๆก็โทรไปตามพี่หมอได้ค่ะ แต่นโยบายของเรานโยบายของเราถือว่าคนเสพผม ในชุมชนนี้ล้วนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพี่น้องกัน เเล้วไอ้แสงลูกชายเอ็งน่ะนังส้อยแต่หรือ ฟังไปก่อนสิพี่กำนันเรื่องเนี้ยหมอทำคนเดียวไม่ไหว กิน 김จุง ทุกข์กับพี่อ่ะจริงนะพี่กินอยู่ แล้วใครจะเป็นคนแต่งตั้งพระคุณหมอครับขอบคุณที่ ก็ต้องถามชาวบ้านส่วนใหญ่กลับไปกันหมดแล้วใหญ่ดวง ผมคุณหมอคุณใหญ่ป่วนและพี่นพผมเคยพี่ กรรมการขยายอ๋อค่ะเป็นได้ใช่คะครูเห็นไหมคะพูดยังไม่ค่อยรู้แม่ ขั้นตอนเออฉันขอเสนอว่าน่าจะเป็นคนที่ได้คะแนนจากชาวบ้านมากที่สุดนะผมเห็น เมื่อชาวชุมชนปลายฟ้าของเราไว้ใจชาวชุมชนเอ่อ คุณสมพงษ์เพ่อบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้เลือกยาเสพติดถ้าเขา ผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติกาสถีณก่อเก้าชาว และเฉลิมพลดินดาเกศริประเสริฐศักดิ์ชนัสฐานอาสากุ๊กกลุ่มเสียงอาธร